เรื่องรอยพระพุทธบาทท่านพระอาจารย์มันเคยเล่าให้ฟังถึงเรื่องรอยพระพุทธบาทที่อยู่จังหวัดสระบุรีว่าเป็นรอยพระพุทธบาทแท้ตามตำนานประัมปราว่าประธานแก่เรศีหรือนายพรานแต่ท่านพระอาจารย์ว่าท่านทรงประทานไว้แก่สามเณรเรวัตะผู้เป็นน้องชายพระสารีบุตร ท่านพระอาจารย์เคยเป็นนมัสการแล้วเล่าว่ามีมนดบที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างไว้คนเฝ้ารักษาท่านอยากดูภาพมงคลร้อยแปดในรอยพระพุทธบาทแต่คนเฝ้าไม่ยอมเปิดอ้างว่าไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตเลยไม่ได้ดูท่านว่าส่วนรอยที่สอง ชื่อว่าพระบาทหังหุงแปลว่ารังเหยี่ยวใหญ่พระพุทธบาทนี้ประดิษฐานอยู่ที่โยนกประเทศอยู่ที่เมืองเชียงตุงประเทศพมา่ารอยพระบาทนี้ประธานแก่อาชิตต่าฤๅษีซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์จะมาตรัสรุป ข, ข้างหน้าเคยเป็นพระสหายส่งเคาะกันมาหลายภพหลายชาติประทานไว้บนแผน่นหิน ความว่าหลังจากเสด็จเยี่ยมฤษีได้สนทนาร่าเริงกันแล้วฤษีได้ถวายผลไม้พร้อมทั้งน้ำต้มกระดูกสัตว์ถวายก่อนเสด็จกลับฤษีขอร้อยพระบาทไว้เป็นที่ระลึกพระองค์ตรัสถามว่าจะไว้ที่ไหนฤษีกราบทูลว่าบนแผ่นหินมีรังเหยี่ยวใหญ่อาศัยเลี้ยงลูกอยู่พระองค์ตรัสถามว่าทาไมจึงให้ประทับไว้ที่นั่น ฤษีกราบทูลว่าในวันฝนตกไม่ได้ออกไปหาผลไม้ข้าพระองค์ได้อาศัยเก็บกระดูกสัตว์มาต้มบริโภคถ้าพระองค์ประทานรอยไว้ที่นั่นวันที่ขึ้นไปเก็บกระดูกสัตว์จะได้ทําความสะอาดและกราบนมัสการด้วยประบาทหางหุงเรียกตามภาษาท้องถิ่นเชียงใหม่กับเชียงตุงพระอาจารย์มนูเคยไปกราบนมัสการ เล่าให้ฟังว่าประบาทห่างหุงนี้อยู่บนแผ่นหินที่ตั้งขึ้นไปไม่มีทางขึ้นเจ้าเมืองเชียงตุงทำบันไดเวียนขึ้นไปแต่นานแล้วบันไดตอนกลางต่อโซ่ใส่พอได้ปีนขึ้นไปแต่ผู้หญิงหรือคนไม่แข็งแรงขึ้นไม่ได้พระอาจารย์มนตูตั้งใจจะขึ้นไปพักภาวนาแต่พอขึ้นไปแล้วแผ่นหินนั้นเหมือนหลังช้าง ไม่มีที่ให้พักบริเวณไม่กว้างประมาณสิบวารอปรีมนลทนเอาบริขารไปด้วยพรุงพะรังลำบากขากลับนำเอาบริขารพรุงพรังกลับลงมาถ้าพลัดตกลงมาคงไม่ได้กลับบ้านเราเรื่องพระพุทธบาทท่านเล่าแค่นี้